ธรรมบทแปลเรื่องที่เจภาคที่หนึ่งเรื่องของเท้าสักกะพระสัสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีพระทัพอยู่นกูธาคารสาลาทรงบารพเท้าสักกะเทวราชตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปมาเทนะมกวา เทวานังเศษฐังคะโตอัปปมาทังประสังสันติหิทตวายาติสุเมตโสกว่าบาเท้ามขวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยาดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อ ความพิสดารว่าเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิประทับอยู่ในกรุงเวสาลีพระองค์ทรงสดับเทศนาในสักกะปัญหาสูตรของพระตถาคตแล้วทรงดำริว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสมบัติของเท้าสักกะไว้มากมายพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสหรือไม่ทรงเห็น แล้วจึงตรัสเนาะส่งรู้จากเท้าสักกะหรือไม่หนอเราจะทูลถามพระองค์ครั้งนั้นแลเจ้าลิชวีนามบ้ามหาลิจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครนั้งเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมประทับนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้ กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทา้าวสกะผู้จอมแห่งเทพทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามหาลิทา้าวสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายอัตมภาพเห็นแล้วแล ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เท้าสักกนั้นจะเป็นเท้าสักกปลอมเป็นแน่เพราะว่าเท้าสักกผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระชก้ามหาลิอดมาภาพรู้จักทั้งตัวเท้าสักกทั้งธรรมะที่ทาให้เป็นเท้าสักกาก่อเท้าสักกถึงความเป็นเท้าส ก, กะ เพราะสมาทานธรรมะเหล่าใดอาจจมภาพก็รู้จักธรรมะเหล่านั้นแหลมหาลิเท้าส ก, กะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้เป็นมานุชื่อมะคะเพรต น, นั้นเขาจึงเรียกว่าท้ามัความหาริเท้าส ก, กะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานก่อนเขาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าปุรินท่าทะมหาริเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพเพระเหตุ น, นั้นเขาจึงเรียกว่าท้าสักกะมาริเท้าสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าวาสวะมาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายทรงดำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าซาสักขะ มหาลินางอุสรกัญญาชื่อสุชาดาเป็นพระประชาบดีของเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสุชัมบดีมหาริเท้าสักกะถึงความเป็นเท้าสักกะแล้วเพราะได้สมาทานวัตตบทเจ็ดอันใดวัตตบท เจ็ดนั้นได้เป็นอันท้าวสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ในการกรสนมมาทาให้บริวุรแล้ววัตบทเจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าคือหนึ่งพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิตสองพึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อม ต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. พึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. พึงเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต 5. พึงมีจิตปราศจากมนทินคือความตรณี 6. มีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามือ ชมอยู่เป็นปกติคือล้างแล้วเตรียมหยิบสิ่งของให้ทานเป็นผู้ยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานพึงอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิต 6. พึงเป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิตและ7พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตถ้าความโกรธ พึ่งเกิดขึ้นแก่เราใชเราพึ่งหักห้ามมันเสียผลันทีเดียวมาลิเท้าสักกะถึงความเป็นเท้าสักกะเพราะได้สมาทานวัตตบทเจ็อันใดวัตตบทเจนั้นได้เป็นของอันเท้าสักกะผู้เป็นจอบแห่งเทพทั้งหลายครั้นเป็นมนุษย์ในกาลกร่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้วดังนี้แหละ ครั้นตรัพสพุทธภาษีนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นกาถาที่มาในสังยุตตานิกายว่าโวยเทพจันดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานและวาจาสอเสียด ประกอบในอันกาจัดความตรณีมีวาจาสัตว์คมความโกรธได้นั้นแล ว, ว่าเป็นสับบุรุษพระผู้มีพระภาเจ้าได้ตรัสต่อไปว่ามหาลิกรรมนี้เท้าสักกะทำไว้ในคราวเป็นมคะมานพดังนี้แล้วอันมหาลิลิชวีใกล้จะสดับก็ปฏิบัติ ของเท้าสักกะนั้นโดยพิสดารจึงทูลถามพระองค์ว่ามคะมานพปฏิบัติอย่างไรพระชจาขามหาลิถ้ากระนั้นจงฟังเถิดแล้วได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่า ว, ว่าในอดีตการมานพชื่อว่ามคะในอจละคามในแก้นมคตไปสู่สถานที่ทำงานในบ้าน คุยฝุ่นด้วยปลายเท้าในที่แห่งตนยืนแล้วได้ทำให้เป็นระมณียสถานแล้วพักอยู่อีกคนหนึ่งเอาแขนผลักเขานำออกจากที่นั้นแล้วได้พักอยู่ในที่นั้นเสียเองเขาไม่โกรธต่อคนนั้นได้กระทำที่อื่นให้เป็นระมณียสถานแล้วพักอยู่ คนอื่นก็เอาแขนผลักเขานำออกมาจากที่นั้นแล้วพักอยู่ในนั้นเสเองเขาก็ไม่โกรธแม้ต่อคนนั้นได้กระทาที่อื่นให้เป็นรมณายสถานแล้วก็พักอยู่บุุษทั้งหลายที่ออกไปแล้วออกไปแล้วจากเรือนก็เอาแขนผลักเขานำออกจากสถานที่ที่เขาํำระแล้วําระแล้ว ด้วยประการชนนี้เขาคิดเสียว่าจนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับสุขแล้วกรรมนี้ปึงเป็นบุญกรรมที่ให้ความสุขแก่เราแต่นี้แล้ววันรุ่งขึ้นจึงถือเอาจอบไปทำที่เท่ามณฑลแห่งลานให้เป็นระมณียสถานแล้วบวงชนได้ไปพักอยู่ในที่นั้นนั่นแหล นในฤดูหนาวเขาได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นในฤดูร้อนได้ให้น้ำต่อมาเขาคิดว่าชื่อรามณียสถานเป็นที่รักของคนตั้งปวงชื่อว่าไม่เป็นที่รักของใครๆไม่มีจำเดิมแต่นี้ไปเราควรเที่ยวทําหนทางให้ราบเรียบดังนี้แล้ว จึงออกไปจากบ้านแต่เช้าตรู่ทำผลทางให้ราบเรียบเที่ยวตัดรานกิ่งไม้ที่ควรตัดรานเสียภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเห็นเขาแล้วกล่าวว่าทำอะไรเล่าเพื่อนก็ฉันทำผลทางเป็นที่ไปสวรรค์ของฉันและสี่เพื่อนถ้ากระนั้นแม้ฉันก็จะเป็นเพื่อนของท่านจงเป็นเพื่อนเถอะ ธรรมดาสวรรค์ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นนั้นมากตั้งแต่นั้นมาก็ได้เป็นสองคนด้วยกันแม้ชายอื่นอีกเห็นเขาทั้งสองแล้วถามเหมือนกันอย่างนั้นนั่นแหละพอทราบแล้วก็เป็นสายของคนทั้งสองแม้คนอื่ น, อ, นอีกก็ได้ทำอย่างนั้นรวมคนทั้งหมด จึงเป็น33คนด้วยประการชนีชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถือวัตถุมีจอบเป็นต้นกระทำผลทางให้ราบเรียบไปถึงที่ประมาณหนึ่งโยศและสองโยชนายนนบ้านเห็นชายเหล่านั้นแล้วคิดว่ามนุษเหล่านี้ประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบแม้ถ้าชนเหล่านี้พึงนำวัตถุ ทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากปลาหรือทำสุราแล้วดื่มหรือทำกรรมเช่นนั้นอย่างอื่นเราพึงได้ส่วนอะไรอะไรบ้างลำดับนั้นหนบ้านคือผู้ใหญ่บ้านจึงให้เรียกพวกนั้นมาแล้วถามว่าพวกแกเที่ยวทำอะไรกันส่วนเหล่านั้นตอบว่าทาทางไปสวรรค์กรับ ก็ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายจะทำอย่างนั้นไม่ควรควรนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากปลาควรทำสุราแล้วดื่มและควรทำการงานทั้งหลายมีประการต่างๆส่วนเหล่านั้นคัดค้านคำของนายบ้านนั้นเสียแม้ถูกเขาว่ากล่าวซ้ำๆอยู่ก็คงคัดค้าน ร, ร่ำไปนายบ้านนั้น โกรธแล้วคิดว่าเราจะกำจัดพวกมันให้หายนะจึงไปยังสำนักของพระราชาแล้วกราบตูลว่าข้าพระองค์เห็นพวกโจรเที่ยวไปด้วยการคุมกันเป็นพวกพวกพระเจ้าข้าพระราชาตรัสถามว่าเธอจงไปจงจับพวกมันแล้วนำมาในบ้านนั้นจึงได้ทำตามรับสั่งแล้วจับบุรุษ สามสิบสามคนนั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาไม่ได้ทรงใตส่สวนทรงบังคับว่าพวกท่านจงให้ช้างเหยียบมะกคามนบได้ให้โอวาทแก่ชนที่เหลือทั้งหลายว่าสหายเอย๋ยเว้นเมตตาเสียที่พึ่งอย่างอื่นของพวกเราไม่มีท่านทั้งหลายไม่ต้องทำความโกรธในใครๆ จงเป็นผู้มีเมตตาจิตเสมอกัรในพระราชาในในายบ้านในช้างที่จะเหยียบและในตนเองแต่นี้แล้วชนเหล่านั้นก็ได้ทำอย่างนั้นก็ในลำดับนั้นช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ได้เพราะอนุภาพแห่เงเมตตาของชนเหล่านั้นพระราชาทรงสดบความนั้นแล้วตรัสว่า สงสช้างมันเห็นคนมากจึงไม่อาจเหยียบได้ท่านทั้งหลายจงไปจงเอาเสือลำแพนคลุมเสียแล้วจึงให้มันเหยียบชนทั้งหลายจึงเอาเสือลำแพนคลุมชนเหล่านั้นแล้วใสช้างเข้าไปเหยียบช้างก็ถอยกลับไปเสียแต่ที่ไกลเดียวพระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วทรงดำริว่า ในเรื่องนี้ต้องมีเหตุเป็นแน่แล้วจึงรับสั่งให้เรียกชนเหล่านั้นมาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าอาศัยเราไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรือพวกมารคามานบกล่าวว่านี่อะไรพระชจ้าาพระราชาก็ข่าวว่าพวกเจ้าเป็นโจรเที่ยวไปในปา่าด้วยการคุ้มกันเป็นพว ก, พวก พวกมคามานพ ก, ก็ใครกราบทูลอย่างนั้นราาพระชาข่าพระราชาก็นายบ้านยังไงล่ะพวกมคคะขอเดชะพวกข้าพระเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ชำระหนทางไปสวรรค์ของตนของตนจึงทำกรรมนี้และกรรมนี้นายบ้านชักนำพวกข้าพระองค์ในการทำอกุศลประสงค์จะให้พวกข้าพระองค์ ผู้ไม่ทาตามถ้อยคาของตนหายะนะโกรธแล้วจึงกราบทูลอย่างนั้นที่นั้นพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วเป็นผู้ถึงความโสมนัสตรัสว่าเพราะทั้งหลายสัตว์ดีรชา น, นี้ยังรู้คุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่อาจรู้จักขอท่านทั้งหลายจงอดโทษแกเราเถิดดังนี้ ก็แลครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วได้พระราชทานในบ้านนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาให้เป็นทาสพระราชทานช้างตัวนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขับกี่และหมู่บ้านนั้นให้เป็นที่ใช้สอยตามสบายแก่ชนเหล่านั้นพวกเขาพูดกันว่าพวกเราเห็นอนิสงแห่งบุญในปัจจุบันนี้ทีเดียว ดางมีใจผ่องใสโดยประมาณยิ่งพลัดวาระกันขึ้นช้างนั้นเดินทางไปอยู่ปรึกษากันว่ากบันนี้พวกเราควรทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปต่งตางไตถามกันและกันว่าก็พวกเราจะทำอะไรกันเขาตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวร ในหนทางใหญ่สี่แยกพวกเขาจึงสั่งให้หาช่างไม้มาแล้วเริ่มสร้างศาลาแต่เพราะปราศจากความพอใจในมาตุการคือหญิงชาบ้านจึงไม่ได้ให้ส่วนบุญในศาลานั้นแก่มาตุการทั้งหลายก็ในเรือนของมานพมีหญิงสี่คนคือนางสุนันทา สุจิตราสุธรรมมาและสุชาดานบิรมาหญิงสี่คนนั้นนางสุธรรมมาคบคิดกับนายช่างไม้กล่าวว่าพี่ขอพี่จงทำฉันให้เป็นใหญ่ในสลานิเถิดแตั้งนี้แล้วได้ให้ค่าจ้างแก่เขานายช่างไม้นั้นรับคำว่าได้แล้วตากไม้สำหรับ ทำช่อฟ้าให้แห้งเสียก่อนสิ่งอื่นแล้วถากสลักไม้ช่อฟ้าให้สำเร็จแล้วสลักอักษรว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาดังนี้แล้วเอาผ้าพันเก็บไว้รันช่างไม้สร้างศาลาเสร็จแล้วในวันยกช่อฟ้าจึงกล่าวกับชนสามสิบสามคนนั้นว่านาย ตายจริงข้าพเจ้านึกกิจที่ควรทำอย่างหนึ่งไม่ได้พวกมาคคะผู้เจริญกิจชื่อว่าอะไรนายช่างช่อฟ้านั่นเองพวกมาคคะช่างเถิดผู้เราจะนำช่อฟ้านั้นมาเองนายช่างข้าพเจ้าไม่อาจทำด้วยไม้ที่ตัดเดียวนี้ได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ตัดถากสลักแล้ว เก็บไว้ในก่อนนั่นแหละจึงจะใช้ได้พวกมังค่าก็เดี๋ยวนี้พวกเราควรทำอย่างไรเล่านายช่างถ้าในเรือนของใครๆมีช่อฟ้าที่ทำไว้ขายซึ่งเขาทำเสร็จแล้วแล้วเก็บไว้ใช้ควรสแสวงหาช่อฟ้านั้นพวกเขาสแสวงหาอยู่เห็นในเรือนของสุธรรมมาแล้วได้ให้ซับพันหนึ่ง ก็ไม่สามารถซื้อได้ด้วยมูลค่าที่เป็นราคาเมื่อนางสุธรร ม, มาพูดว่าถ้าพวกท่านทำฉันให้มีส่วนบุญในศาลาด้วยไซฉันจะให้พวกเขากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ให้ส่วนบุญแก่พวกมาตุคามลาดับนั้นช่างไม้กล่าวกับคนหล่อนนั้นว่าข้าแต่นายพวกท่านพูดอะไร เว้นพรมโลกเสียสถานที่อื่นชื่อว่าเป็นที่เว้นจากหญิงคือมาตุคามย่อมไม่มีพวกท่านจงรับเอาช่อฟ้านี้เถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นการงานของพวกเราก็จะถึงความสำเร็จดังนี้พวกเขาจึงรับคาดังนั้นแล้วรับเอาช่อฟ้าสร้างสลาให้สาเร็จแล้วแบ่งเป็นสามส่วน คือในส่วนหนึ่งสร้างเป็นที่สำหรับอยู่ของพวกอิสระชนในส่วนหนึ่งสำหรับคนเขียนใจในส่วนหนึ่งสำหรับคนไข่ชนส3สามคนให้ปูกระดาน3 3าแผ่นแล้วให้สัญญาแก่ช้างบ่าผู้เป็นแขกมานั่งบนแผ่นกระดานอันผู้ใดปูไว้ เจ้าจงพาแขกนั้นไปให้พักอยู่ในเรือนของผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นกระดานนั่นหละรวมถึงการนวดเท้าการนวดหลังของแขกนั้นการที่ให้ของควรเคี้ยวควรบริโภค ก, การให้ที่นอนทุกอย่างก็จะเป็นหน้าที่ของผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นกระดานนั่นแหละดังนี้ช้างผู้รับมาแล้ว มาแล้วนำไปสู่เรือนของเจ้าของกระดานนั่นเดียวในวันนั้นเจ้าของกระดานนั้นย่อมทากิจที่ควรทาแก่ผู้ที่ช้างนำไปนั้นนายมัคะปลูกต้นทองหลางต้นหนึ่งใบไม่สู้ห่างจากศาลาแล้วปูแผ่นศิลาไว้ที่โคนต้นทองหลางนั้น พวกที่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสู่ศาลาแลดูช่อบฟ้าอ่านหนังสือแล้วย่อมพูดกันว่าศาลาชื่อสุธรร ม, มาชื่อของชนสาคนย่อมไม่ปรากฏนางสุนันทาก็าคิดว่าพวกนี้เมื่อทำศาลาทำพวกเราไม่ให้มีส่วนบุญด้วยแต่นางสุธรร ม, มา ก็ทำช่อฟ้าเข้าร่วมส่วนจนได้เพราะตนเป็นคนฉลาดเราก็ควรจะทำอะไรอะไรบ้างเราจะทำอะไรนอะแลในทันใดนั้นนางก็ได้มีความคิดว่าพวกที่มาสู่ศาลาควรจะได้น้ำกินและน้ำอาบเราจะให้เขากุดสระโบกกรณีนางจึงให้เขาสร้างสระโบกกรณีแล้ว ส่วนนางสุจิตราคิดว่าก็นางสุธรรมาได้ให้ช่อฟ้านางสุนันทาได้ให้สะโบกกรณีเราก็ควรให้สร้างอะไรอะไรบ้างเราจะทำอะไรนอแลที่นั้นนางได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ในเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลาดื่มน้ำอาบน้ำแล้วไปควรจะประดับ ระเบียบดอกไม้แล้วจึงไปเราจะให้สร้างสวนดอกไม้นางจึงได้ให้สร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมแล้วไม่เคยมีผู้ที่จะออกปากว่าโดยมากสวนนั้นไม่มีต้นไม้ที่เปรดดอกออกผลชื่อโน้นดัน่างนี้เลยฝ่ายนางสุชาดาคิดว่าเราเป็นทั้งลูกลุง ของนายมัคคะเป็นทั้งบาทบริจาริกาคือปริยากรรมที่นายมัคคะนั่นทําแล้วก็เป็นของเราเหมือนกันกรรมที่เราทําแล้วก็เป็นของนายมัคคะนั่นเหมือนกันดังนี้แล้วไม่ทําอะไรอะไรมัวแต่งตัวอย่างเดียวปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแล้วตอนมัคคะมานพ บ, บาเพ็ญ วัตบทิจประกรันฝ่ายนายมะะักค่ะบำเป็นวัตบท7จประการเหล่านี้คือ 1. บำรงมารดาบิดา 2. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล 3. พูดคำสัตย์ 4. ไม่พูดคำยาบ 5. ไม่พูดส่อเสียด 6. กํกำจัดความตรณี และเจ็ดไม่โกรธเราถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างนี้ว่าถววเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤตินอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่ อ, อนหวานและวาจาสอเสียดประกอบในอันํำจัดความตรณี มีวาจาสัตว์ข่คมความโกรธได้นั่นแหละว่าสับบุรุษก็ในเวลาสิ้นชีวิตได้เกิดเป็นเท้าส ก, กะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขาแม้เหล่านั้นก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันช่างไม้เกิดเป็นวิสุกกรรมเทพบุตรในการนั้นพวกอสูรอยู่ในภพดาวดึง อสูรเหล่านั้นคิดว่าเทพประบุใหม่ๆเกิดแล้วจึงเตรียมเลี้ยงน้ำทิพท้าวสักกะได้ทรงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์เพื่อประสงค์ไม่ให้ใครๆดื่มพวกอสูรดื่มน้ำทิพเมาทั่วกันแล้วท้าวสักกะทรงดาริว่าพวกเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นราชา อันทั่วไปด้วยกับเจ้าพวกนี้ส่งนั้นหมายแก่บริษัทของโปร่งแล้วให้ช่วยกันจับอสูรเหล่านั้นที่ทาทั้งสองแล้วเหวี่ยงลงไปในมหาสมุทรอสูรเหล่านั้นมีศีรษะปักดิ่งตกลงไปในสมุทรแล้วขณะนั้นอสูรวิมานได้เกิดที่พื้นภายใต้แห่งเขาสิเนรุ ด้วยอนุภาพแห่งบุญของพวกเขาต้นไม้ชื่อจิตตาปาลิคือไม้แขกฝอยก็เกิดแล้วที่นั่นเมื่อพวกอสูรปราชัยแล้วในสงครามระหว่างเทวดาและอสูรชื่อว่าเทพนครในชั้นดาวดึงประมาณหมื่นยอได้เกิดขึ้นแล้วและในระหว่างประตูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แห่งพระนคร น, นั้นมีเนื้อที่ประมาณหมื่นโย์ระหว่างประตูด้านทิศใต้และทิศเหนือก็มีขนาดเท่ากันอห น, นึง่งพระนคร น, นั้นประกอบด้วยประตูพันหนึ่งประกอบด้วยอุทยานและสะระบุรณีพระศาทนามว่าเวทยันสูงเจ็ดร้อยโย์ตกแต่งแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการ ระดับด้วยตรงทั้งหลายสูงสามรอยอดหุดขึ้นแล้วด้วยผลแห่งสาลาในท่ามกลางพระนครนั้นทงที่คันเป็นทองได้มีทองเป็นแก้มณีที่คันเป็นแก้มณีได้มีทงเป็นทองที่คันเป็นแก่ประพานได้มีทองเป็นแก้มุกดาที่คันเป็นแก้มุกดาได้มีทองเป็นแก้วประพาน ที่กันเป็นแก้วเจ็ดประการได้มีธงเป็นแก้วเจ็ดประการธงที่ตั้งอยู่กลางได้มีส่วนสูงสามร้อยยนดประสาทสูงพันยน์ล้วนแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการเกิดแล้วด้วยผลแห่งสาลาด้วยประการชนี้ต้นปาริฉัตตะมีปริมณฑลแผ่ไปสร้อยยน์โดยรอบ เกิดขึ้นด้วยผลแห่งการปลูกต้นทองหลางบรรทุกกำพลศิลามีสีดังดอกเัยปรึกสีครั่งและสีบัวโรยโดยยาว60โยต์โดยกว้าง40โยต์หนา15โยน์ตามปกติแท่นบรรทุกกำพลศิลาอาจในเวลาที่เท้าสักกะประทับนั่งจะยุค ลงไปถึงครึ่งพระวรากายในเวลาเสด็จลุกขึ้นจะกลับฟูขึ้นเต็มเหมือนเดิมแค่นั้นเกิดแล้วที่โขนไม้ปาริชัตตกะด้วยผลแห่งการปูแผ่นศิลาส่วนช้างเกิดเป็นเทพระบุติชื่อเอาราวันแท้จริงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีในเทวโลกเพราะฉะนั้น ในเวลาเท้าสั ก, กะเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยานเทพบุตรนั้นจึงจำแรงตัวเป็นช้างชื่อเอราวันสูงประมาณร้อห้าโยชน์ช้างเทพบุตรนั้นเดริมิดกระพองสาสากระพองเพื่อประโยชน์แก่ชนสาสามคนในกระพองเหล่านั้นกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งโดยกลม สาข่าวบุตรโดยยาวประมาณกึ่งโยชน์ช้างเทพบุตรนั้นเนรมิตรกระพองชื่อสุดทัศนะประมาณ30โยชน์ในถ้ำกลางกระพองทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เท้าสั ก, กะเบื้องบนแห่งกระพองนั้นมีมนดบแก้วประมาณ12โยชน์งคลิปด้วยแก้วเจประการสูงโยชน์หนึ่ง ตั้งขึ้นในระหว่างระหว่างคือเป็นระยะระยะในมนดบแก้วนั้นคายแห่งกระดิ่งที่ถูกลมพัดอ่ อ, อนอ่อนแล้วมีเสียงกังวานปานเสียงดนตรีที่เป็นทิพย์ประสานด้วยเสียงดนตรีอันมีองค์ห้ากระดิ่งนั้นห้อยอยู่ที่ริมโดยรอบบรรลังแก้วมณีประมาณโยอหนึ่ง เป็นพระแทน่นที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเท้าสักกะในท่ามกลางมนตดบเท้าสักกะย่อมประทับนั่งเหนือบัลลังก์นั้นเทพประบุตรส3สองค์นั่งบนรัตนบัลลังก์ในกระพองของตนบรรดากระพองส3สามกระพองในกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งช้างเทพประบุตรนั้น เนรมิตงากระพองละเจ็ดงาในงาเหล่านั้นงาหนึ่งงาหนึ่งยาวประมาณห้าสิบยอดในงาหนึ่งหนึ่งนั้นมีสระโบกกรณีงาละเจ็ดสะในสะแต่ละสะมีก่อบวกสะละเจ็ดกอในกอหนึ่งกอหนึ่งมีดอกบวกกอละเจ็ดดอก ในดอกหนึ่งดอกหนึ่งมีกลีบดอกละเจ็ดกลีบในกลีบหนึ่งหนึ่งนั้นมีเทพธิดาฟ้อนอยู่เจ็ดองมหาราพฟ้อนย่อมมีบนงาช้างในที่50สโยน์โดยรอบอย่างนี้แหละตาวสกเทวราชเสวยยศใหญ่เสด็จเที่ยวไปด้วยประการจะนี้ แม้นางสุธรรมมาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันเทวสภาชื่อสุธรร ม, มามีประมาณห้ารอยยศได้เกิดแล้วแก่นางได้ยินว่าชื่อว่าสถานที่อื่นอันน่าปลื้มใจกว่านั้นย่อมไม่มีในวันอัตที่มีคือดิถีที่8แห่งเดือน คือในวันแปดคำ่ำมีการฟังธรรมในที่นั้นนั่นเองจนกระทั่งทุกวันนี้จนทั้งหลายเห็นสถานที่อันน่าปลื้มใจแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าก็ยังกล่าวกันอยู่ว่าเหมือนเทวสภาชื่อสุธรร ม, มาแม้นางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกัน สัโบครณีชื่อสุนันตามีประมาณห้าร้อยโยต์เกิดแล้วแก่นางแม้นาสุจิตราถึงแก่กรรมแล้วก็ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันสวนชื่อจิตละดามีประมาณห้าร้อยโยต์ที่พวกเทพพยายดาผ้าเหล่าเทพพบุตผู้มีบุรภะนิมิตเกิดแล้ว ให้หลงเที่ยวไปอยู่สวนชื่อจิตรดาก็ได้เกิดแล้วแม้แก่นางนั้นส่วนนางสุชาดาถึงแก่กรรมแล้วเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่งท้าวสกะตรวจดูบริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่านางสุธรรมาเกิดแล้วในที่นี้เหมือนกันนางสุนันทา และนางสุจิตราก็าอย่างนั้นแล้วนางสุชาดาเกิดที่ไหนหนอได้เห็นนางเกิดเป็นนกกระยางในซอกเก่านั้นแล้วมีความดาริว่านางสุชาดานี้เขาไม่ทำบุญอะไรอะไรเลยบัดนี้เกิดในกำเนิดเดรัชานก็ควรที่เราจะให้นางนั้นทำบุญแล้วนำมาไว้เสียที่นี้นังนี้แล้ว จึงส่งจำแลงอัตภาพเสด็จไปยังสำนัก ข, ของนางนกกระยางนั้นด้วยเพศที่เขาไม่รู้จักได้ตรัสถามว่าเจ้าเที่ยวทําอะไรอยู่ที่นี้นางนกกระยางนายท่านคือใครเล่าท้าวส ก, กะเราคือมาาักคะสามีของเจ้าไงนายท่านเกิดที่ไหนเราเกิดในดาวดึงเทวโลก ก็เจ้ารู้สถานที่เกิดแห่งหญิงสาหายของเจ้าแล้วหรือยังไม่ทราบเลยนายก็หญิงแม้เหล่านั้นก็เกิดในสำนักของเราเหมือนกันเจ้าจะเยี่ยมหญิงสหายของเจ้าหรือไม่ก็ดิฉันจะไปในที่นั้นได้อย่างไรก็เรานี่แหละจะนำเจ้าไปในที่นั้นแลวนำนางนกกระยางสุชาดานั้นไปสู่เทวโลก ปลอยไว้ริมฝั่งสะโบกรณีชื่อสุนันทาตรัส บ, บอกแกมเหสีทั้งสามนอกจากนี้ว่าพวกหล่อนจะดูนางสุชาดาสหายของพวกหล่อนบ้างไหมก็นางอยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้าคา่ะนางอยู่ที่ริมสะโบกรณีชื่อสุนันทาพระมเหสีทั้งสามนั้นสเสด็จไปใไนที่นั้นทำการเย่อเย้ยว่า โอ้รูปของแม่เจ้าโอ้ผลของการแต่งตัวคราวนี้ท่านทั้งหลายจงดูจงลอยปากดูแข้งดูเท้าของแม่เจ้าอัตภาพของแม่เจ้าช่างงามแท้ดังนี้แล้วก็หลีไปท้าวสักกะจึงได้เสดไปดูนางนกระยางชื่อสุชาดานั้นอีกแล้วตรัสถามว่าเจ้าได้พบหญิงสหาย ของเจ้าแล้วหรือเมื่อนางสุชาดานกกระยางทูลว่าก็พระมเหสีทั้งสามนั้นหม่อมฉันได้พบแล้วเขาพากันย่ะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไปขอพระองค์โปรดนำหม่อมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิดดังนี้แล้วก็ทรงนำนางนกกระยางนั้นไปที่ซอกเขาตามเดิมปล่อยไว้ในน้ำนั้นแล้วตรัสถามว่า ระเจ้าเห็นสมบัติของหญิงทั้งสามนั้นแล้วหรือหม่อมฉันเห็นแล้วพระเจ้าค่าแม่เจ้าก็ควรทำอุบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่นั้นข้าพระเจ้าจะทำอย่างไรพระเจ้าเจ้าจะรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้หรือไม่ข้าพระเจ้าสามารถรักษาได้ลำดับนั้นตาวส ก, กะก็ประทานศีลห้าแก่นางแล้วตรัสว่า เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาไว้เถิดดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางเที่ยวหากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้นโดยการล่วงไปสองถึงสาวันเท้าสักกะเสด็จไปเพื่อประสงค์จะลองใจนางจึงทรงจำแรงเป็นปลาตายนอนหงายบนพื้นหาใจา นางเห็นปลานั้นแล้วได้คาบเอาสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะกลืนปลาได้กระติกหางแล้วนางรู้ว่าเป็นปลาเป็นจึงปล่อยเสียในน้ำดาวสั ก, กะทรงปล่อยเวลาให้ล่วงไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงทรงทำเป็นนอนงายข้างหน้านางอีกนางก็คาบอีกด้วยสำคัญว่าปลาตาย ในเวลาจะกลืนเห็นปลาอย่างกระดิกหางอยู่จึงปล่อยเสียด้วยวรู้ว่าเป็นปลาเป็นเท้าส ก, กะทรงทดลองอย่างนี้ครบสามครั้งแล้วมีความคิดว่านางนี้รักษาศีลได้ดีจึงทรงแสดงพระองค์ให้หนางทราบแล้วกล่าวว่าเรามาเพื่อประสงค์จะลองใจเจ้าเจ้ารักษาศีลได้ดี เมื่อรักษาได้อย่างนั้นไม่นา น, นักก็จะเกิดในสำนักของเราเป็นแน่จงเป็นผู้ไม่ประมาทดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางได้ปลาที่ตายเองบ้างไม่ได้บ้างเมื่อไม่ได้โดยการล่วงไปสองถึงสวันเท่านั้นก็สู้ผอมทํากาละคือตายแล้วเกิดเป็นทิดา ของช่างหม่อในกรุงพาราณสีด้วยผลแห่งสีนั้นต่อมาเวลาที่นางมีอายุราว1 5ถึง16ปีท้าวสักกะมีความดาริว่านางนั้นเกิดที่ไหนหนาก็ได้ทราบความที่นางเกิดเป็นทิดาของช่างหม่อในกรุงพาราณสีจึงมีความคิดว่าบัดนี้ เราควรที่จะไปในที่นั้นอย่างนี้แล้วจึงเอาแก้วเจตประการซึ่งปรากฏโดยลักษณะคล้ายฟักทองบรรทุกยานน้อยขับไปในกรุงพระนศีเสด็จไปยังถนนเปล่าร้องว่าท่านตั้งหลายมาเถิดมาเอาฟักทองกันเถิดก็แต่เมื่อผู้คนนำเอาตัวเขียวหรือตัวราชมาดเป็นต้น มาแรกเพื่อจะเอาฟักทองจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะให้ฟักทองนี้ไม่ได้ให้ด้วยราคาพวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงถามว่าข็าท่านจะให้แลกด้วยอะไรเล่าจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลดังนี้พวกชาวเมืองถามว่านายชื่อว่าศีนเป็นอย่างไรสีดำหรือสีเขียว เป็นต้นทาวส ก, กะพวกท่านไม่รู้จักศีลว่าเป็นเช่นไรจะรักษาศีล น, นั้นได้อย่างไรเล่าแต่เราจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลพวกชาวเมืองนายธิดาของช่างม่อนั้นเที่ยวพูดอยู่ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลก็ท่านจงให้แก่สตรีนั้นเถิดแม้ทิดาของช่างม่อนั้นก็กล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้น ก็ให้แก่ฉันเถิดนายท้าวส ก, กะเธอคือใครที่ด่าช่างหมอฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีน่าท้าวส ก, กะฟักทองเหล่านั้นฉันก็นำมาจำพาะเพื่อเธอท้าวส ก, กะจึงส่งขับเกวียนไปถึงเรือนของนางแล้วประทานทรัพย์ที่เทวดาปึงให้โดยลักษณะกล้ายฟักทอง ทำไม่ให้พวกคนอื่นลักลอบเอาไปได้ให้ส่งรู้จากพระองค์แล้วตรัสว่านี้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตของเธอเธอจงรักษาศี่ห้าอย่าได้ขาดแล้วจึงได้เสด็จหลีกไปตอนนางสุชาดาเป็นทิดาของอสูรฝ่ายทิดาของช่างหม้อ น, นั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเรือน ของผู้มีเวรต่อเท้าสักกะคือในฝ่ายอสูรเป็นทิดาของอสูรผู้เป็นหัวหน้าในพวกอสูรและเพราะนางรักษาศีลดีแล้วในสองอัพภาพนางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวยมีผิวพันธุ์ดุจทองคำประกอบด้วยรูปสิริอันไม่ทั่วไปคืองามเป็นพิเศษก็หัวหน้าแห่งอสูร นามว่าเวปจิติได้พูดแก่ผู้ที่มาขอทิดาของตนว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ทิดาของข้าพเจ้าแล้วก็ไม่ให้ทิดานั้นแก่ใครๆคิดว่าทิดาของเราจะเลือกสามีที่สมควรแก่ตนด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงให้พลเมืองที่เป็นอสูนมาประชุมกันแล้วได้ให้พวงดอกไม้ในมือ ของที่ด่า น, นั้นด้วยการสั่งว่าเจ้าจงเลือกผู้สมควรแก่เจ้าเป็นสามีในขณะนั้นท้าวสกะทรงตรวจดูสถานที่นางเกิดทราบความเป็นไปนั้นแล้วมีความดําเรตว่าแบบ น, นี้สมควรที่เราจะไปนํานางนั้นมาดังนี้แล้วจึงทรงเนรมิตเพศเป็นอสูรแก่ไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัท แม่นางอสูรสุชาดานั้นเมื่อตรวจดูข้างโน้นข้างนี้พอพบเท้าสักกะซึ่งจำแรงกายเป็นอสูรที่แก่แล้วก็มีหทยัยอันความรักซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุพเพสั น, นิวาตท่วมทับแล้วดุดห้วงน้ำใหญ่ก็ปร่งใจว่านั่นสามีของเราจึงโยนพวงดอกไม้ ไปเบื้องบนแห่งเท้าสั ก, กะที่จำแรงกายเป็นอสูรแก่ผู้นั้นพวกอสูร น, นึกลายใจว่าพระราชาของพวกเราไม่ได้ผู้ที่สมควรแก่พระธิดาตลอดการประมาณเท่านี้บัดนี้ได้ผู้ที่แก่กว่าปู่นี่แหละสมควรแก่พระธิดาของเท้าเธอตังนี้แล้วเขาเหล่านั้นก็จึงหลีกไปฝ่ายเท้าสั ก, กะ ทรงจับนางอสูรสุชาดานั้นที่มือแล้วประกาศขึ้นว่าเราคือเท้าสักกะแล้วทรงเหาะไปในอากาศพวกอสูรรู้ตัวว่าก็าพวกเราถูกเท้าสักกะลวงเสียแล้วจึงพากันติดตามเท้าสักกะนั้นไปเทพบุตรผู้เป็นสารถีของเท้าสักกะนามว่ามาตลีนำรถ เวทยันมาพักไวในระหว่างทางเทา้าสกะส่งอุ้มนางขึ้นในรถนั้นแล้วบ่ายพระพักสู่เทพนครเสด็จไปแล้วในเวลาที่เทา้าสกะนั้นเสด็จถึงสิมพะลิวันคือป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งลูกนกกรดได้ยินเสียงรถของเทา้าสกะจึงตกใจกลัวร้องขึ้นแล้ว ท้าวสักกะได้สดับเสียงของลูกนกครุฑเหล่านั้นแล้วจึงถามมาตลีคนขับรถว่านั่นนกอะไรร้องมาตลีลูกนกครุฑพระเจ้าข้าก็เพราะเหตุใดมันจึงร้องเพราะได้ยินเสียงรถแล้วมันจึงร้องเพราะกลัวตายพระเจ้า้าท้าวสักกะจึงตรัสว่าก็าอาศัยเราผู้เดียวนกประมาณเท่านี้ถูกความเร็วของรถ ให้ย่อยยับไปแล้วมันอย่าหายนะสิเลยเธอจงกลับรถเสียเถิดมาตลีเทพบุตรนั้นจึงให้สัญญาแก่ม้าสินทบพันหนึ่งด้วยแส่กลับรถแล้วพวกอสูรเห็นกิริยาของเท้าสักกะที่กลับรถมาแล้วนั้นจึงคิดว่าก็เท้าสักกะนี้หนีไปจากเมืองแห่งอสูร บัดนี้กลับรถแล้วเธอจะได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่จึงกลัวแล้วกลับไปสู่เมืองไ่งอสูรคืออสูรบุรีตามทางที่มาแล้วนั่นแหละไม่ยกศีรษะขึ้นอีกด้วยความกลัวฝายเท้าส ก, กะดส่งนำนางอสูรสุชาดาไปสู่เทพนครแล้วส่งสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้า นางอับสอนสองโกดกึ่งนางทูลขอพรกับเทา้ากสกะว่าขอดีชะมหาราชมันดาวิดาหรือพี่ชายพี่สาวของหม่อมฉันในเทววโลกนี้ไม่มีพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดๆก็พึงพาหม่อมฉันไปในที่นั้นๆด้วยเท้าเธอจึงได้พระราชทานพรนั้นก็จำเดิมแต่นั้นมา เมื่อดอกจิตะตะปาตาลิบานพวกอสูรก็ประสงค์จะรบกับพวกของเท้าส ก, กัดด้วยหมายใจว่าเป็นเวลาที่ดอกปาริฉัตกาิบของพวกเราบานเท้าส ก, กะัะจึงได้ทำการอรารักขาแก่พวกนาคภายใต้มหาสมุทรทำการอรารักขาแก่พวกรุฑทาการอรารักขาแก่พวกกลุมพันธุ์พวกยักษ์ พวกเท้าจตุมหาราชส่วนชั้นบนกว่าทุกๆุกชั้นประดิษฐานรูปจำลองของพระอินทร์ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถ์ไว้ที่ทวารแห่งเทพนครพวกศูนย์เมื่อทำการรบชนะตั้งแต่พวกนาคพวกรุษกลุมพันเป็นต้นมาแล้วเห็นรูปจำลองของพระอินทร์มาแต่ไกลเขาย่อมหนีไป ด้วยเข้าใจว่าเท้าส ก, กัดเสด็จออกมาแล้วดังนี้พระศาสดาในที่นั้นได้ตรัสกับมหาลิว่ามหาลิมารคมานพปฏิบัติอปมาทะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของผู้ไม่ประมาทอย่างนี้ก็แล้วมารคามานพนั่นไม่ประมาทอย่างนี้จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นป่านนี้ ทรงเสวยราชในเทวโลกทั้งสองชื่อว่าความไม่ประมาทนั่นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วเพราะว่าการบรรลุคุณวิเศษซึ่งเป็นโลกียะและโล ก, กุตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้พระอาศัยความไม่ประมาทดังนี้แล้วได้ตรัสพระคถาสือไปว่า อัปปมาเทนะมกวาเทวานังเศษตษฐังฆโตอัปปมาทังประสังสันติหิตวายาติสุเมทโสแปลว่าเท้ามักคะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพ ย, ยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้ไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อ ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัปปมาเทนะคือเพราะความไม่ประมาทหมายความว่าเพราะความไม่ประมาทที่ทำไว้ตั้งแต่แผ้วทางภูมิประเทศในอาจฉรคามคำว่ามรควาหมายถึงเท้ามรควะคือมรคมาโนบซึ่งปรากฏมรควะในบัดนี้ชื่อว่าถึงความเป็นผู้ประเสริฐ กว่าเทพเทยดาทั้งหลายเพราะความเป็นราชาแห่งทั้งโลกทั้งสองคำว่าปะสังสันติคือสันเสริญหมายความว่าบันฑดต ท, ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมชมเชยสันเสริญความไม่ประมาทอย่างเดียวข้อนั้นพระเหตุหมาเล่าเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุให้ได้คุณนวิเศษซึ่งเป็นโลกิยะ และโลกุตระทั้งหมดข้อที่ว่าปะมาโธ ร, ระหิโตสถาที่แปลว่าความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อหมายความว่าส่วนความประมาทอันพระอริยเจ้าเหล่านั้นติเตียนขึ้นินทานแล้วเป็นนิดเพราะเหตุไรเพราะความประมาทเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอยู่ ความเป็นผู้โชคร้ายในมนุษย์ก็ดีการเข้าถึงอบายก็ดีล้วนมีความประมาทเป็นมูลเหตุทั้งนั้นในเวลาจบคาถาเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิทรงดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วแม้บริษัทผู้ประชุมกันเป็นมากก็ได้เป็นเรียบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแหลเรื่องท้าวสั ก, กะ